หลายปีกันกัปีทิกก็เคยปฏิบัติรวมกับเพื่อนแม่รูบาอาจารย์สมัยย่าพ่อปัญยมีชีวิตอยู่ย่าพเทียนก็รวมกันไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้วันละสิบหามือบัละเจ็ดมือไปเข่าเก็บอารมณ์ได้บ้านนั้นบ้านนี้ตามประสบการณ์หลังจากนั้นอาตมาก็เลยมีโอกาสกลับมาบ้าน ปกติการอยู่ประเทศลาวเกิดอยู่ประเทศลาวมีโอกาสก็ได้มาศึกษานำพระแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะได้รับการแนะนำจากญาปอเทียงสมัยก่อนที่เพิ่นยังเป็นพระอยู่เปิดเคยไปบ้านไปเฮือนรับไปฝากเครื่องเอาไว้ในเฮือนเวลาบรรจินหมาเมืองไทยเป็นกระลุนเดียวกับญาปอเทียงญาปอเทียงเขานี่แหละหลวงปู่เขานี่แหละแต่ว่าเพื่นเป็นคนจอยสูงค่องแค่ว ว, ว่องไวอาจารย์ดาหูดี หลังจากนั้นอนตาตมาก็ได้กลับมาอยู่ป่าเทศลาวไปเหตุเวียกเกินไวในการปฏิบัตินำพระหมายคุบอาจารย์เิ่นก็ได้ให้ไปปฏิบัติโดยการเ ป, เป็นเป็นไหลายเพิินเป็นทรงไปทางเหนือทางใต้ไปทุกบอนทั่วประเทศแลว้วหลังจากนั้นก็เลยมีโอกาส มีครูบาอาจารย์เพื่อ น, เ, นเป็นในมณมาอเมริกาสองสาเถือก็าไม่อยากมาหรอก <c oughs> กันเลยว่าเพื่นก็ อ, อยากให้มาหลายแท้ก็เลย่มมาลองบึงก็เลยได้มาอันนี้มันต้นควมไปอย่างสัตว์อันนี้มาเข้าเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัตินั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้มีความจริงใจและจริงจังมีความเสื่ออย่างแน่นอนว่าถ้าเหากประพฤติปฏิบัติแบบนี้แนวนี้ มันจะแก่ถูกให้เหาได้ซอยหดลุดพรตึงสีบบทั้งเบิดกรตามเมื่อก่อนธะมาก็มีความทุกข์หลายขึ้กันบ๊แมนว่ามีมันน้อยความทุกข์นี่เกิดขึ้นจากหลายๆทางจากสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เป็นอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งภู้มีประเทศส่วนหนึ่งก็ทุกข์ทางร่างกายเข้ามาในในก็ทุกข์ทางใจกับพยายามทิจะหาคําตอบ แม่จะได้ชีวิตนี่เกิดมานี่จังสีว่วายเป็นถุกเกินเกินไปก็เลยไม่หามีโอกาสได้ศึกษาได้เหียนหู้เป็นผู้ไฟเขาวัดมาแต่ตั้งเด็กตึ้งหน่อยแมม่ตู้พอตู้เป็นกระเสียจนน้ำวัดเป็นกับฝึกฝนอบรมก็มมทานน้ำพระอาจารย์ที่บ้านตลอด <c oughs> พอใหญ่ขึ้นมาในหนึ่งก็ได้มาเหียนเป็นนักเหียนนักศึกษา ที่เป็นเยาวชนเอินว่าโองเรียนอสพอาจารย์มหาปานเป <c oughs> ็นงัวตังเดบะเทศลาบเอินว่ารบรวมศิลธรรมภูริยพสลาวก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังได้เยินหัวได้ติดตามนั่พอแม่ครูบาอาจารย์มันก็ฟังมาเรื่อยๆไปสะสมประสบการณ์กับผกเคยทิมวัตทิมว่ามาจนบวชมาเป็นจัวจนมาเป็นพระชีวิตก็มีแต่แบบนี้ตลอด หลังภาคปฏิบัติก็หาประสบการณ์หลายๆอย่างไปอยู่น้ำพูน้ำรมไปอยู่น้ำสารพัดทุกอย่างที่อยากแข่งยันหูจนได้มาพ่อเทคนิคหรือวิธีการทันทีเพราะแม่ก็บาอาจารย์ผลไดแนนแนวที่จริงอาต ม, มาก็หาพอสมควรเพราะว่าบัดบ้านเมืองของราก็อยู่ซื้อกับหลวงโพลุงพเทธและก็ลหลวงปู่เลี้ยงกับวัยยุคไก่กัน ่าคำของมากรแมนโหลดใกล้กลๆกระโบหูว่าด้วยความเข้าใจลึกยังกรบโบหูอดามาก่าวหูแต่แตว่าเมื่อฟังเมื่อได้ยินหูได้ศึกษาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆละ่ะคิดวา่าตัวเองยังบ่ได้คาตอบจากจากสิ่งเหล่านั้นด้วยบุญลมีตัวเองหน่อยกรบโบหูเลยได้มาฟังคาสอนได้มาเห็นพระแม่กูบาอาจารย์ หลวงพ่อและกุ บ, บาจารย์หลายองค์ที่เพื่แนแนวแนะนาแล้วก็ลงมือาการปฏิบัติหลายองค์ที่ยังเป็นผู้ที่มีความมั่นคงกันหลายองค์ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแป่กันเรื่องเป็นธรรมดาะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ก็จึงคิดว่า <c oughs> ทุกคนต้องการเทียนหู้ต้องการความเข้าใจ แต่ว่าการเรียนรู้ความเข้าใจนั้นมันจะมาโดยวิธีใดนั่นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและเป้าหมายของตัวเองว่าควรจะเสื้อควรจะเข้าใจควรจะปฏิบัติแบบใดควรจะมีความเพียรแนวใดเึง่อจะได้บรรลุผลเป้าหมายพรนันการสะสมโดยเฉพาะการยกมือสั่งจังหวะเมื่อก่อนธรรมะนินยกมือสาสมิต เคยมากับพระแมคคุบาอาจารย์สมัยก่อนปี 2500-7-8 ก็เคยมาวัดโมกคนแก่นตันพาจันดาเป็นจาวาทอยู่คนแกน่น <c oughs> อาตมาก็ผ่านไปผ่านมามาพักหลานเปิดที่ยามาเนินป่านาวนองคายเพื่อมาปฏิบัติน้ำพระแมคุบาอาจารย์เพราะว่าสืบศึกษาสืบสาหาเรื่องประวัติต่างๆแล้วก็ควรจะเป็นทีของ ตัวเองควาดีจะเข้าใจได้ง่ายก็เลยอาศัยมาเข้าห้องกรมาารมฐานทำยิ้ดกรสีไปเข้าโยวัด์าสันโยวาตอาจารย์มาสิจันเป็นเคยเป็นผู้เดียวผู้ชนะของพรบาจารย์มหาบาอันโตแล้วก็พวกพ่อตู่แม่ตู่ออกตอนญานยมคนลาพกันแนะนําว่ายุบอนันเดอร์จะเป็นสายงานของพระาจารมาปานอัตอมาก็ะขามไป ขามไปปึ๊บไปทามเพินบวชใหม่ๆเนาะบอกว่าขน้อยอยากมาเย็นกับมาฐานนำนำยาพรวนมาสรอาจารย์มหาเป็นกะวะ็ว่าสชหมยังมาเย็นกับมาฐานมาจกศึกษาอย่งออางนูกับมาฐานได้เย็นข่าวว่าพระอาจารย์เคยเือาาเคยไปอยู่เมืองลาพญฐ า, านเคยไปลพเคยไปเมืองลานเคยพนเคยองยไปเมืงาดทองลาินงานเองเคือาานยไปเมอาาเยปเนเปนอั น, น, นเปงนเปานเอาวานอยู่เัน เป็นปัดป่าสมัยก่อนในขาบมหาเพลินเป่น่ารักาเข่าอยุ่สามปียังสิรับเด้อวะสันขันบวรสามปีนี่บวรบวรบวรออขากรรมฐ า, านข่าวสามปีข่าวไปรายงาทานป้าอาจารย์เขาจะมาหาเนีย่ยพอมาหาก็เลยว่าต้องเขาอยู่ได้ห่องอย่างเดียวเป็นเลาะเบิงแนะนำเราเป็นเลาะเบิง้งบอกคนนั้นไอ้โอ้ขน้อยกบปรัมาใจว่าขน่อยสิอยู่ได้ถึงคนบวเพราะว่าบวชใหม่เด้ ก็าอบ่มั่นใจเพราะว่าต้องมีนาทีต้องอาเป็นชอบบอกตรงเลยว่า ก, ก็น้อยังมีแม่อยู่มังมีเือสองคนกับโบวันสิบวชได้ําใดนะต้องได้รับผิดชอบบังเทอกัสิอยู่บ่ใดกัสันเขาบ่าหับตัวเด้อพอนะเจค่อยให้ยังไงสันสันไปวันเนินพนาพอนะก็ดซื้อไปไปอยู่นเห่ น, นั้นก็พระาจารย์สมบกับเขากรรมฐานอยู่อยู่เบอร์สิบห้มาอยู่เบสิสองเปิกดกบใหม่ขึ้นกันเปินบวชจุวันเนินพนา หลงจากนนก็นกนเก็บอารมณ์เข้าอยู่หันแต่ว่าการฝึกอยู่หันกัอาศวีบอได้เหตดไวแ้แบบแบบนี้ค่อยเคลื่อนไหวสระยกไก่หูห้ให้หู้ก่อนยกมันเปนให้ยกก่อนหูหัวมันที่ไปใส่ซะก่อนหัว่ไผอยากยกไผ่พอยกตามอธมาก็บพวกเข้าใจมาก่อนพอมาปฏิบัติมาคัมมามาคอมเพลลงเวงระว่ัง ของหลวงพ่อเฮานี้ที่เป็นมาเปลี่ยนกันที่จริงอันเดียวกันนะล้วเป็นมาเปลี่ยนเทคนิคน้นอยนึงเป็นวิธีการเป็นว่าเหตุไว้ไว้ก็ได้ที่จริงเหตุไว้หรือเหตุซ่าเนี่ยอาดามาขึ้นว่าขึ้นอยู่กับความเข้าใจบางถ้เหตุซ่าๆเนี่ก็เป็นการบังคับเป็นการเพ่งเป็นการจ้องเกินไปก็ะบอกเถิดบางถตเหตุไวไวเนี่ก็ไวจนเกินไปโดนหู้บทันก็บอกเถิดสำหรับอาดมาความเข้าใจยังไงต้องเห็หนในพอดี เหตุยังได้ก็ได้ขอให้เข้าใจขอให้จิตใสใจตามากาน้อยยกซื้อให้เขาปวตามมันก็บใครยกซ่าก็ตามยกไว้กันยากโดยเฉพาะในสายงานในในเรื่องเรานี่นี่การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของของของคองที่นี่จริงก็เป็นของพระเจ้าผนะันเป็นของพรนะใดผู้หนึ่งหอกแต่ว่าเพิ่นเอานําเทคนิคนัน้นมาว่าไปซืจอซื้อเพราะว่าการคู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่เป็นคําสอนตัวเจ้าอยู่แล้ว โบแมนของหลวงพ่อเทียนผู้เดียวแต่ว่าเราอาศัยความเขาลบเพราแม่กุบาอาจารย์เราจําเป็นต้องได้กระลึกถึงมเต็มทจริงในพระ ส, สุภวันขวาวัยอัปปะเป็นของผู้ใดการขู่เหยอยเคลื่อนไหวไปมาอาปาการจะเลี้ยวแซ่แรง ก, กว่านี่เป็นอิริยาบถต่างๆมีอยู่แล้วในขณะที่เราเคลื่อนในขณะที่เราไหวมามีส ต, ติตามหูตามดูตามเห็น แต่ว่าการมีสติตามหูตามดูตามเห็นมันก็ต้องอาศัยเวลาเขาก็ต้องบมอ่มเพาะถ้าเขาบ่มเพาะพอๆนี่มันค่สติปัญญามันก็มาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เขาเคยสะสมความหลงมาตั้งแต่อ่อนตอ่อนเมื่อเขามาเชิญพอ่อแมโครว่าอาจารย์บางเถ้า อ, อาจจะสิบปีหปีหนึ่งปีสองปีหรือปีหนึ่งแล้วนี่เป็นตัเดือนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนต้าเหตุถือเหตุหมอก เหสมลงโตมันก็เข่าใจได้ไว้ว่าได้จํากัดว่าต้องอยู่โดนต้องอยู่น้ำลงพออย่างเดียวต้องอยู่ใกล้ๆเพิรนเห็นเพิ่์นเข้าใจเป่นวอยฟังเพป็ น, นแนวๆบางที อ, อาจจะพอหู้ก็ได้ถึงเขาบอกเคยเห็นเขาพอหู้เขาได้ยินแต่ซื้อจากลูกศิลุกหาของเพิรนเข้ามาปฏิบัติตามคําน้องของดำของเพิร์นก็าอาจจะเข่าใจไว้ก็ได้นั่นขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญอความตั้งใจมันความเสื่อมันของตัวเองเพราะนั้นศรัทธาต้องมาก่อนความเสื่อมันนี่ต้องมาก่อน ฉะนั้นอย่างที่อยอดยเห็ดยเมื่อนี้เราจะต้องได้ให้มีความเสอร์มมันในพ่อแม่กบ่าจัดสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องขัดเคืองสิ่งใดที่เป็นเรื่องเป็นบอกว่ามันอยู่ในหัวใจต้องได้วางออกไปซะก่อนเหมือนกับว่าจะใส่ยี่อย่างจังอย่างในน้ําในจอกในแก้วหรือว่าในจานอาจจะต้องหามล ะ, ะสะอาดซะก่อนก็ไมาอย่างสมัชิไปค้ากันเอาไปกินเอาไปใส่มันก็นสิจสกปกอสิบเถิกตอ้องน่นเรื่องการประพฤติธปฏิบัตินี่ พาวอลลุนล้วนว่ามีคําอธิบายอย่างมากมายไกลก่อบางเทื่อสําหรับคนที่จะต้องการเห็นยโน้ก็ต้องอธิบายในการอธิบายบางซิ่บางอย่างกัถ้าคนพวเข้าใจมันก็เลอะเลือนด้วกันถ้าบอกอธิบายกับ่ะไรอีกก็เลอะเลือนด้วกันดัง้นต้องอาศัยความเหมาะสมเพราเราก็ต้องปรับเราเองว่าเขาที่เข้าใจแบบใดว่า <c oughs> ความจริงที่มีอยู่มันเปนเรื่องอธิบายมากมายไกลก่อก สมมุติคือน้ำนี่แหละคือยาเนี่ยสมมุตินำยาหรือว่ายาก็ได้ถ้าเอาทีมาอธิบายเรื่องคุณภาพมันเป็นสมุติได้หลายแต่ที่จริงอะไมากก็ทีเข้าใจไปเนี่ยก็เคยยันหมอมา ก, ก่อนสมัยก่อนก่อนสีเขามาบวชกระโบจบอ่ะเป็นทรงไปเยนหกปีที่ยันได้สองปีกันนี้นมาบวชก่อน เพาว่าย่อนสภาพกันบันเมืองห ล, หลายอย่างเหมือนกับยาเนี่ยมันมีหลายซื้อบีอองบีดูอย่างก็แล้วแต่บีเดอร์อย่างก็ว่ากันไปมันหลายอันแต่แล้วแต่จะอธิบายแต่ในความจริงแล้วเนี่ยยานั้นเป็นตัวที่จะซอยบรรเทาและก็รักษาให้สุขภาพเขดีขึ้นแล้วสุขภาพขาห้อยมันแข็งแรงขึ้นแล้มันจะรักษาของมันเองเพราะว่ายาถูกสนิทพอสามารถที่จะรักษาได้ มีแต่มาฟื้นให้ร่างกายเขาอยู่ไดอันนี้ก็คือการทารว่าเขาเป็นโรคหรว่าเป็นโรคยังก็แล้วแต่หรืว่าปอต้องยังก็แล้วแต่ทาว่าเขากินยาทึบเบาอ่านแต่สลากยาเสื่อเอาไปกินยาไปเทกออกจากเพียวจากเม็ดเอาไปกินเอาแล้วการกินลงไปนั่นสิ้หายซ้ำได้นั้นขึ้นอยู่กับ การออกลิ์ของยาต้องรอเวลาบางเธอกะสองเม็ดยังเบาพอบางเธอต้องมุจักวิธีกินอีกว่ากินกราบเขา่าหรือกินหลังเขา่าหรือกินพร้อมเขา่าแต่เขากินพอถือมากกว่ามันออกลทิ์ได้หน่อยแล้วก็ผลได้หน่อยการปฏิบัติธรรมเขานี่ก็อึดอัดมาเข้าใจแบบนั้นการยกมือสั่งแกว่าเนี่ยกันคำมีแตย่ยกคือซื้อยิดบ่อใสใจบอ่อตามกไ็ได้บ่อได ยังในหน่อยก็เป็นการสะสมทุกคนเราต้องลืมว่าทุกคนนัง่งลืมว่าทุกคนบันี้พระดยสิบรลืมนอกจากพ ร, ริยาจับแต่ความลืมนั่นแหละไม่เป็นการสอนแล้วบ่าให้ลืมความทุกข์สอนบพราเราเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่วเวลาเรายกมือ น, นี่เราเบิงด้วยตาเราเห็นด้วยตาเราเหมืนตาบา ง, งเทีเราอาจจะเห็นทางตาสกัก่อนแต่ทางใจว่าตันเห็นแต่เร า, าสะสมไปเรือ่อยสะสมไปเรื่อย การสะสมทะเลเลื่อนเป็นการบ่มเพาะเม็ดพันแห่งสติให้เกิดขึ้นเหมือนกระเพาะปลูกพักปลูกหญ่ยเต้องเสียยาขาหุนเขาต้องให้เวลาของมันนาทีของมันใจของมันเองอันนี้กกคือกันเมื่อเขาสะสมบ่มไปเรื่อยไปเรื่อยสติตัวนี้แหละจะสะแปรสภาพให้ในเขาเกิดแสงสว่างเกิดความผู้แตละหน่อยทตละหน่อยจนกลัวมันจะได้ที สมัยที่อะรามปฏิบัติใหม่ๆก็ยกมือสั่งอย่างยังเมื่อแรกหกโมงหกโมงหรือหกโมงเขินประมาณนี้ยกมือสั่งอย่างไรยกบรไว้แล้วก็ยกประาก็เหมือนตาเบนใบหลับตาเมือนตาในนึงอดีตต์อดีตกรนะผมเป็นอดีตชาตรอดีตกรนี่เคยเป็นหมออดีตกรนี่เคยเห็นหงงานขาดศาสตร์นำนาลุงภาพเก่าๆมันเกิดขึ้นมา เหมือนกับตัวสัตว์มันสีมาแหลมโซนทางที่เขาหนังอยู่วันนี้กะเล่นั่งเบิ้งวะมันเป็นยังเป็นยังซี้เขายังมีสติโตอยู่บ่ถถามตัวเองพอหลังจากนั้นกะเล่นเบิ้งวาโอ้ฮันโบเมนอันนั้นเป็นความคิดของเขาเองเขากำลังยกมือแนวกำลังอยู่นี้หลังจากที่อาตมายกมือไปได้ประมาณสี่หนาทีนี่แหละเหมือนกับแนวมาดึงหัวเนี่เหมือนกับดึงถะลกหนังถะลกหนังหัวขึ้นเขาวันแห่ดึงออกดึงออกแล้วก็ อาตมาก็สังเกตให้เขายังรู้สึกัวอยู่ว่าขนหัวมันลุกขนหัวลุกนะเหมือนกับมีคนมาถลกหนังออกทั้งหัวนี่อาตมาเอ๊ยกมือขึ้นมาแล้วยังรู้สึกตัวอยู่บาะทั้งอันนี้ก็หูทั้งอันนี้ก็หู้บบนี้มันมันเป็นปุ้มกรหงาบังแหงนะมันเหมือนกับเลิกบังแหงอาตมาก็เลยอดไม่ได้ก็เลมาจับบงหัวเจ้าของยังอยู่บอกมาจับเบงยังอยู่อาตมาเอ้ยยังอยู่แล้วสติเขาอยู่สายถามต่อไป ก็ลังยกมืออยวบรบกลับมาเบื้องท่นานบอกว่าให้พยายามอยู่กับปัจจุบันท่านนั้นก็ยังอยู่วะได้ปันใดหลังจากนั้นเกิดเทือธโลกออกไปแล้วมาจับเบื้องหัวเจ้าของรู้สึกว่ามันเบารู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็แนวดึงออกไปแล้วไม่มีหัวบบนี้เอะลองลุกไปย่างมันน้านนะแต่มาก็เหตุจังหวะขึ้มันมีเจ็ดจังหวะเด็ก่อนสี่ลุกกันได้ย่างย่างไปย่างไปย่างมาในเหมือนกับเจ้าของลอยอยู่ทั้งเพดานเพราะว่าเยอะของพวเดียวเลย มันก็นมาเป็นอย่างซี่ประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงนี่แหละธรรมะก็สงสัยเขาขึ้นมาเป็นอย่างซี่ยางไปก็เหมือนกับเหมือนร้อยไปลอยมาแล้วสติเขาอยู่ไซถามตัวเองตลอดเดว้วันนี้ก็เลยมีมีพอตู้หนึ่งเราปฏิบัติมาโดนแล้วต้องไปถามแล้วส้องกระสงสัยระคูเป็นกระโบยู่พอตู้ของนครพ น, นครพานิชคื้อเรา สมัยก่อนเราเป็นพ่อข้าเหื้อขึ้นหลงวงพ่อเทียนเขานี่แหละเพิ่นเอาอัวนะเอาเหนนื้อเอาเข้าไปขายประเทศลาวเด้ทั้งเหนือทั้งแต่เราหรือเ่าก็าเลยเหตุจังหวะประมาณเจ็ดโมงคืนกับแปดมงแหะเปิดประตูคอยมันไม่ไปพ่อกันแต่ว่ามันสงสัยเป็นยังเป็นยังสัย ญ, ญานเจ้าของถ่ายก็เลยไปขอาะประตูประตูของนครเนี่ยพอของนครแต่นี้อัตมาเป็นยังซิเราใสาป่ปากขาวคือรื่พกยอแบนเนี่ยแะ เราอยู่เบอร์เจ็ดมันอยู่ตรงกันขามกับอาตมาอยู่คนละข้างเลยอย่าเสียงเรียงไปในนึงเพราะว่าเบอร์หกตรงกันขามเรเลียงเบอร์เจ็ดยังเบีะไอาตมาก็เลยค่อยๆไปขอประทุกข์เราไนยพอบขอนครด้วยอาตมาเป็นยังสีเดือนไนยพอบผู้เป็นกับอยู่เจ็ดมือประเดี๋ยสอบระหล้มมันบอลลังเทากับสามมือลังเทอเปนก็มายัง่บอร์แรงเป็นก็มามาถามแต่ว่านี่พนกับอยู่บนไปต่างต่างเมืองก็เลยมาถามเพราะไนยพอขอนคร เดีวนี้อาตมามาเป็นอย่างซี่เหมือนกับคนมาทะลุกองวันละกัเวลาอาตมาลุกมาอย่างเนีย่ยเหมือนกับคือลอยอยู่เทิงฟ้ากนี่คือลอยกระเทิงอากาศนี่ไอ้เจ๊กาวไอ้เจอบ ก, ก็เหมือนกับเหมือนกับบ่มีตนุนบ่มีตโตสิอต า, อ า, าตมาเป็นยังไงคูบาเห็ดยังยุ้ยว่ะตอนคูบ่ายเป็นกัญญาณนี่แห ล, ละเจอแล้วก็บอกว่าให้กลับมาเบิ้งในปัจจุบันนี่เด้ออ่ะอันนั้นมันเป็นมันเป็นน i m i t เล็กนๆน้อยๆอย่าไปสนใจมันแลว้วอ่ะในอาตมายังเจรียอยู่ให้พยายามกลับมาเบิ้งปัจจุบัน บันี้พราะมาปฏิบัติน้ำลงพอเทียนมันโอ้ที่ยังพอพ้นว่านี่ขันเทาลืมขันเท้าลืมปัจจุบันนี่ยนะมันจะไปอนาคตและอดีตแล้วมันก็ไปติดอยู่ในอันนั้นมันสบายยางสบายยันเกือบสามสี่มือมันเย็นยันแต่ว่ากับมันเห็ดบวมเอยบวเพียรู้สึกว่ามันอิ่มโป้งอุสิบอกว่าจังใดไอเห็ดยู่หันเลยนี่พ่อธรรมะกูได้หรอกขึ้นตใจคนเดียวว่ด ก็ได้แต่ว่ามันเบากายเบาใจก็อยเหตดก็มีความเพียรอยู่อยงสันะบวมเมื่อยบวเพี้ยรึตั้งใจเหตุอ ย, ย่างสันแหละพระชนะธรรมมาึ้นว่าทุกคนคน้นสิกับบวเป็นแบบหนึ่งก็ต้องเป็นแบบหนึง่งพอหลังจากเหเ็ุนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วมันอยากเทศเขายูหันสองสามเดือนเดือนที่สามมันอยากเทศพอน้อพระครูพันกับมาเทศได้ยินได้ฟังเป็นเทศนั้น เทศสำนี้บปเทศไอ้คนฟังพวกคนก็เป็นป่าที่ตะกไปก่อนว่าเดินพระนาพระอาจารย์ด่าก้องแต่นี้ผาอาจารย์สงัดเปเป็นเช้าวัดอย่างอาตมาก็โู้ดีเทศสำนี้บปเทศไอ้คนฟังว่าสนองประมาณพอแม่ครูบาอาจารย์แล้วนายพญาบอกว่าการอยากแสดงอยากพบอยากสนทนาอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอาตมามีมาแล้วมีมาแล้วเพราะว่า ปัญญาที่มันมีอยู่แล้วมันแตกพุกขึ้นมานี่มันรู้สึกว่ามันโบแมนธรรมดามันหลายที่สุดจนว่าควบคุมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนกระบอกพยายามบล่อยปากปล่อยวาอกอยู่ผู้เดียวมันอยากวอกเขาบอกว่พยาพัญญาเก็บความโงสุดเจ้าของให้ได้ไหลขึ้นไหลขึ้นแล้วมันก็คอยเหยียดลงไปแต่ว่าการหูของอดามานี่จะเปินโบหูในลักสันทีเหมือนตัวเดีตัวหนึ่งของคนคนอื่นแต่ว่าสะสมหูไปเรื่อยๆแต่กระบอกเคยลืมอย่าเถื่อ เพรนการปฏิบัติแต่ตันั้นจนฮอดตัวนี้อาตมามาปฏิบัติทำไมว่าอาจารย์มาอยู่ทำเมีควนก็ดีมาอยู่แต่ละบอลที่บรนพชาไปเนาะก็ไปเห็นน้เพินก็สังเกตทำไมก็ว่าอาจารย์สมัยก่อนอาตมาเถียงอาจารย์บุญพาอาจารย์สงครามมาทำเถียงอาจารย์สงครามก็ได้มามักยกมือบไปเลยเกรงกล้าเกรงกล้ามาเรียบร้อยบุดีว่เป็นปัญหานับถือ ข้าจาัดสำคัญแล้วถามนะคุณนี่เป็นไผ่แล้วถามทันทีนั้นก็รู้ว่าลูกไปข่าวคำพันกันเลยสิ <c oughs> มาปฏะเดี๋ทําตั้งใจบะตั้งใจยุติแต่ว่าเขาได้บาหมักแบบนี้ถามบอกอตรงๆกับเพิรนเนี่ยันนี้ได้ยินหลังจากนั้นตอ น, นันกนารเนี่ยพอเพิรนกัเทศเนาะอยู่บ้านอเองเนาะบ้านอยู่ทั้งเป็นสบู่น่ะเพิรนเทศฟังไปอารมากะฟังไปคอยฟังไปฟังไปมันบอมเป็นเอาความอันเข่าแจของตัวเองเมาวัด <c oughs> มันจะต้องไปฟังเขาแบบอาจารย์ร้องมาเห็ดบังด้วยเจ้าของพอมาเห็ดออกจากนั้นมาละมัดมัดตามงานของแม่ครัวอาจารย์นีละมามากอยู่ผู้เดียวมาอยู่ยวสั้นก็บอแม้นว่านั่งรับตาแล้วก็ยกมือไปเรื่อยๆแต่มากอยู่ผู้เดียวเพราะว่าหู้ว่าเจ้าของนี่ยขันอยู่น้ำพ่นอื่นบางเทือมันก็ะอืออากาศเทืองกระหูจักอยู่อารมณ์ตัวเองเพราะว่ามูหันบางเทือกเขาเห็ดไปเนี่ยพนอื่นเบ้ามันเอามันบันบัตัตตั้งอยู่ฮะนะมันกระหูมันก็สอดไปฮะสอดไปนี่ ในกระตาสอดั่านเจ้ากะตาสอดนี่าเาแหวมาแล้วก็เลิกคดตัวเรื่องคนอื่นเอาแหวมาบัดมาปฏิบัติผู้เดียวอยู่ผู้เดียวย่งห่างมูนี้ตั้งใจย็ดมันละสนุกสนุกเหตุกายกระเบาใจกระเบามันโบมือยโบเพียพอใจเห็ุแต่ไดนก็ได้เสียหายชั้นก็ได้เสียห า, ย ไ, หายไปก็ได้เสียหายา ย, ยุ่ก็ได้บางทีความหมายคุบาจะมันก็ะเบาสอบอารมณ์แทงหน้าแทงหลังก็เข้าใจหลังจากที่เข้าใจแล้วอาตมาก็เลย ตั้งมันตั้งใจว่าเออการอยู่ในชีวิตของพระของพระมอาจารย์ของป่า น, นี่เขาก็ไปศึกษามาหลายบ่อนแล้วเป็นทรงไปพม่า ก, ก็ไปเป็นทรงไปประเทศนึงประเทศก็ไปตามสายงานที่เป็นทรงไปแต่ว่ายังบัลืมการยกมือสั่งแจงวางอาจามาสอนอยู่เารที่เกิดกระทุกแรงเปลือกกระเลงมันพุดหรือแรวมันสุกหรือวันฉีดเกษจะมีพ่ออเมริกามาแต่ละเจ็ดแปดค้นถนาฮ้อนในเก็ตรมีหลายเกือบสิบสาคน กัภาษาอังกฤษกับโบเกงแต่ว่าก็คอยอธิบายไปเพราะฉะนั้นอาดมาจึงมั่นใจว่าการยกมือการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้รูปแบบนี้เป็นการกระตุ้นความรู้สึกได้ดีที่สุดเพราะยังพออาตมาทดสอบกับพวกอเมริกาหลายคนอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะมักนั่งหลับตาอาดมาก็ไริวาเรก็ยังนั่งหลับตาก็ น, นั่งหลงเบิงให้เก็จะนั่งไปช่วงอะไรอย่างจักสามสิบนาทีแล้วอาดมาก็มามาให้ สอนวิธีการยกมือสั่งจับว่าลองเบิ่งว่าให้ชกเจ้าเปียบเทียบว่านั่งจังสิ่ะหายใจเข่าและหายใจออกกับที่เจ้ามู้งจวยแห้งเน่ยนะเจ้ายกมือขึ้นมือก็อลงเล้นะอันใดมันหู้สุดดีกว่ากันเขาบอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นความรู้สึกที่หุนแหงกว่าและสามารถที่จะเหตไทความรู้สึกได้หลายกว่าเพราะการประพฤติปฏิบัติทำส่วนหลายตามประสบการณ์ที่อาดามาเคยศึกษามา เรียนรอ้มาจากตัวเองแหละก็จากบุคคลอื่นที่เคยสอนหลักจักเจ้าขอมาทำส่วนหลายเวลาปฏิบัติทำทุกทุกคนเลยเกือบเกือบร้อยทั้งร้อยบ่กอย่าให้มันขึดอย่าห้ามความขึ้นอยา่าคึ้อย่าขึ้นอย่าขึ้นพยายามบปห้ามพยายามไปห้ามความขึดอันนี้อาไมาคิดว่าถือว่าผิดพราะแม่ครูบาอาจารย์เคยบอกได้ดีกว่าอารมาธรรมชาติของจิตมันต้องขึ้ เพราะฉะนั้นในการเทศน์บิดนี่เพื่อนจังหวไปหายความคืบไปหามหาม้ามแสดงแม่ได้ ไ, ไปอนามาจะงหวะบ่ต้องหามมันไปก็หู้ว่ามันไปไปอนาคตก็ตามไปอันเดียวก็แต่กลับมาห่้ปัจจุบันคอยกลับมาทะเลเล็กทะเลน้อยกันไปหา้ามแสดงไม่ทังไปเพราะฉะนั้นการที่มายกมือสั่งจจ้าวะอย่างที่ว่าอาจารย์สอนก็ตามประเด็นเป็นส่วนหนึ่งอนามา ก, ก็ฟังอยู่มันเป็นการพัฒนา พัฒนาการทางความมู้สโตหหลายขึ้นเพราะมันหลายกั้นหลายขึนมันจะตัดของมันเองมันเป็นอัตโนมัติของมันเองมันต้องไปหาพระพุทธได้ไปหาพระนัปฏิบัติอัตนมาติอีกแทรกลี่เลยแหละเพราะว่าเคยไปเหยียนฮงไปถามพระแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์แต่กลับประสดประจักษ์ตัวเองเนี่ยแต่ส่วนหลายที่อัลมามาอยู่อเมริกาเนี่ยสิบปีเนี่ยส่วนอาจจะเป็นอย่างสั้นพระที่บันสอนกับบได้ปฏิเสธไปบ่ต้องหามันดอก พอพัฒนาความรู้สึกตัวตัวสติมันแจ้งขึ้นมันเห็นมันจ้าขึ้นแล้วมันจะเห็นเของมานเองเพราะฉะนั้นการเรียนจะต้องอาศัยอุปสรรคหลายๆอย่างที่จะต้องมียีปอาจารย์มาหาวิธีการและแนวทางที่จะพวกให้ง่วงบวชใหาอละละ้อะไรล่ะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆหลายอย่างกับเป็นเทคนิคของเพลย์บาอาจารย์มีวิธีการที่จะกระตุ้นก็เอิญว่าเพ็รไทยพนาความรู้สึกมัน มันทันกับมันสู่กับมันได้เงี้เมื่อสู่กับมันได้ก็เป็นคนบนนี้ประสบ ก, การณเป็นเป็นคนจริงซะอยา่างต้องหัวหนึ่งแน่ น, น, นอนแต่ขอให้ตั้งใจแต่ความตั้งใจนี้เฮากฎหมายเขาบว่าจะต้องไปหยึดมัดนบางทีฮะเขาต้อง f l e x i b l หนึ่งต้องหยุดหยุดหนึ่งเพราวะว่ามันบ่ได้ก็คือบ่ได้เอาต้องยอมรับความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งเล็กๆได้น้อยที่อนำมาภาพได้นํามาแช่หรือว่ามาอธิบายให้ฟังนี่ก็เป็นประสบการณ์ ส่วนภาคปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องเหตุก็ต้องเหตุเขาเองเพราะไม่ครูบ่าจานเพิ่งกระขายแต่ส่วนหนึ่งซื่อแต่ว่าส่วนที่แท้จริงเขาจะต้องเป็นคนซื่อสตัตย์และจริงใจตัวตัวเองคนสีเห็นหรือบอเห็นคนสีหูหรือบอกหูคนสิน้ำเบิงหรือบอน้ำเบิงนั้นบอกสาคัญสําคัญทีตัวเขามีความจริงใจว่ามีความเสื่อมั่นมีศรัทธามีความเพียรมั่นคงระบอบ้วก็ตั้งมั่นตั้งใจที่จะต้องเหตุบอกและสิ่งต่างๆมันจะค่อยตามมา เนี่ยธรรมาเขียนว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้โอกาสออกตัดยันโยมมาแตมาเพียงแต่ว่ามามาอยากพันสัญญาเื่อนพนสกุลเกืบสิบปีปล้ะเป็นเป็นงยังเื่อกเาแต่ว่าอเปลี่ยนไดหน่อยหนึ่งท่านั้นว่าสังขารร่างกายกับอาเจยลงไปนานๆหนึ่งแต่ว่าควรภาคปฏิบัติการะทําต่างๆเรื่องที่ครูบาอาจารย์ได้นะนํามากับารมาก็ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดแม็นพันธสัญญ่หรือพยู หลงพ่อเป็นสเส็นแล้วบอเห็น